เป็นเช่นไรฉันขอข้ามใครามาหุ่นสาวเวทางข้อมูลเราฟังยืนยาเพื่อหาเวลามาลองต้องดูเพื่อหาเวลามาลองท่องปรัชญามี่สามลักสําคัญสามขัญกับอีกซองนั้นปักใจคําชูเมื่อก่อนรับฟังเทพีมผ่านหูหลังจากเรียนรู้จึงอยากเราควา พอประมาณนักเป็นรักแรกใช้เงิน จ, จ่ายแจกยายเกินเงินมีมากใช้ได้แค่รู้หากมีสิ่ลุกล่ามหาใจเกินมีเก็บรัดรยานี้จะรวอยกัได้มันคงยิ่งใหญ่ทำได้ตอนดีใช้จะกินข้าวต้องทำนาปีหากต้องไม่ดีจะไม่กังพาง เชื่อทุกองที่อยู่ยืนยแน่นอนมันองไม่มีปรักยายู่เอ็นรักร้องเห็นชอบนักหนาแพรสู่นานาประเทศทั่วโลกรู้จักพอประมารู้จักรู้จัก เธอเป็นลักซ อ, กอแต่เหตุต้องต้องรอใช้เล่เสียงโชว์มองทั้งราบบรักษาต้องรอไม่กลุ้มบัดรออิกสังผิดสาขาการผลลักด้วยความรอขอเลือกทำโดยชอบไม่ลัวกระดา ป้องรักสามป้องให้คู้ท้าแปรปวนโทุกาที่คาดไม่ถึงแต่ดันพบมาเหยียวยารักษาได้ท้าทันการทแทนสัมร้องรักการเปลี่ยนแปลงพร้อมออกสั่งแดงในคราการหากมีรายกา จักพอประมาณนีเหตุผลและมีผู้พึงกันรู้จักพอประมาณนี้เหตุผลมีผู้พึงกลั่นรู้จักพอประมาณนีเหตุผลมีผู้พึงกลันตัดใจคําสุ่มหนึ่งคือความรู้ความรู้ ไม่ซางรั้งปัญญาเกือการตักชายตอกสนน้องทันใจสดใสหลางอยู่อีกหนึ่งปัจจัยก็คือคุณน่าทำเมื่อ ไ, ได้น้องนำ้ำซ้ำของมาสุขทุกศาสนาที่หลักเลียงฟูเชิญเลือกมากลูกสัมนึกของคน ฉันสาดยาซึ่งซึ่งสาเมื่อใดฝืบฝนเชิญชวนเพื่อนเราจะขอคนช่วยต้นเข้าใจใหญฉันฟังชวนฟังสู